นามตระภะโทวะโทอราหะโทตัมมะตัมปุธตะจานามูตระภะโทวะโทอราหะโทตัมมัมพุตตะจานมูระภะโทวะโทอราหะโทตัมมัมุรทวราัมมะตัมังัมมังังังนามัมิ ทุกฝรังสัตจังรร ม, มุตตโกธิจเรยพรท่นศานสาธุชนทั้งหลายวันนี้ไอ้มันบนมาลอดอีกแล้วพวกเราทุกคนยังมีชีวิตให้เป็นประโยชน์อยู่จนถึงวันนี้ านับว่าเปนบุญประสนพบพอเราทันทั้งหลายมาคราวนี้คงจ ะ, จะแสดงทำเล็กๆน้อยๆเพราะว่าปีนี้ลมมันจะหมดแล้วมันน้อยเสียงมันก็น้อยอให้ประกัรเข้าใจนึกถึงคา พระพุทธองค์ท่านตรัดว่าขยะวัยยังอ้ความชิ้นไปเื่องไปแห่สังขารเป็นธรรมดาเออมันทนเลือธรรมดาไปไหนได้เป็นอย่างนี้คล้ายๆว่าที่พึ่งก้อน ใ, นใหญ่ๆขนาดนี้เราเอาไปวางในต่างแจ้งสากแดดนะมันก็คอยเื่อมไปทีละน้อยๆ น, นะ ไอ้พึ่งสังก้อนมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปหลายนาทีหลายชั่วโมงก้อนทีพึ่งมันก็หมดนี่เด้ขยะไว้ยังไอ้ความสิ้นความเสื่อมเป็นธรรมดาอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาได้เติมทุกทุกคน ที่มารวมอยู่ในสรารลงธรรมอันนี้คงพร้อมแล้วทุกคนนะคู่มือของข้อปฏิบัติคงจะเตรียมพร้อมมาทุกคนไม่เอาไปบ้านหรอกกายก็เอามานะใจก็ามานะวาจาก็ามามีใครเอาอะไรไบ้านบ้างะะ นี่พร้อมแล้วที่ข้อปฏิบัติพร้อมแล้วนี่สืเหตุมันนีไม่บกพร่องสักนิดหนึ่งกายก็เอามา อ, อ, อ, อจิตใจก็เอามาวาจาก็เอามาดดหรือจะย่นน้อยแต่ก็นั่นเองกายก็เอามากับจิตเท่นี้หนะสองอันเทาน่านี้พอแล้วอืม ดิษครเอาไปบ้านมัง่งเอามาแล้วนะนี่คือข้อปฏิบัติยอที่สุดแล้วเอามาแล้วทุกอย่างที่ข้อปฏิบัติของเรานั่นเริมแล้ว <c oughs> วันนี้ก็ขอโอ ก, กาสแักหน่อยหนึ่งว่าญาติโยงวันนี้คงจะไปศาสนาจารย์หลายแห่งไหม คงจะเห็นสถานที่ต่างๆคือคนอาคมนำไปไปจบดงที่ทําแสงเทชรเห็นสาาหลังใหญ่หมเออสาาหลังนั่นอ่ะอัตมาถ้าไม่สบายแล้วก็ขึ้นไปอาศัยไปพักผ่อน ชาเสียนเปเลาหลังนั้นเน้่ยค่ายๆนึกมันนึกถึงอชาวกตะวันตกเย็นมันสบายากลางคืนมาอยุงก็ไม่เคยมีสักนิดหนึ่งเลยอยู่อย่างนั้นเวลาหลังนี้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นทําความเพียรอยู่ตรงนั้นไม่ง่วงไม่ง่วงนอนอยู่ใกล้ๆเด็กจิตของเราเหมือนเด็กมันมีอะไรเล่นเพรมันอยู่อย่างนั้นแหละอ่ะ มันสบายตลอดคืนเลยอืมเป็นสสานที่ที่สมควรมากที่จะปฏิบัติตรงนั้นอืมใครเป็นทุกข์ทางใจก็ไปถูกอากาศตรงนั้นแบบค่อยๆสบายอืมสงบแล้วครับอันนี้โยมบางบางท่านก็คงจะมาเคยไปวันนี้ก็ได้ไปแล้วนอกนั้นมาก็เป็นสาขาใหญ่ย่อย สขาวัดต้องประพงศเนี่ยตามถนนเนี่ยมันมีสาขาประพงหมดทั้งนั้นแหละย่อยย่อยอย่างโยมจะไปเห็นกันนั่นทุกแห่งประพงเข้าอกเข้าใจกันดังนั้นก็เห็นใจญาติโยมทั้งหลายเหมือนกันเดินทางมาสถานที่อย่างนี้สถานที่ที่ในเคยไป Mm hmm. yeah. บุกโครนบุกตมไปอย่างนี้จากบ้านเรามานอนก็ไม่สบายนั่งก็ไม่สบายร่างกายใจใจมันสบาย mm hmm. ใจมันสบายเ mm hmm. มื่อใจสบายสงบสบายนี่ก็เดีอยสบายเพื่อความสบายต่อไป ไอ้ความสบายนี่มีสองอย่างสบายเพื่อความไม่สบายต่อไปก็มีนะเรื่องพุทธศาสนาของเรานั้นมันเป็นเรื่องของจิตอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านแต่งอบรมจิตอบรมจิตอันเดียวเท่านั้นนะเอ่อให้จิตมันเป็นไปตาหูเฉียวกเยี่กายมันเป็นไปตามกัน แค่นั้นสันจิงให้อบรมจิตจิตนี่เป็นของสำคัญมากพระพุทธองค์ของเราท่านคำไปคำมาดูไปดูมาแล้วมันอันนี้เองอจิตนี่เป็นสิ่งที่สาคัญมากพุทธศาสนานี่มันเกี่ยวเนื่องในจิตเรื่องจิตเป็นสิ่งที่สำคัญยกตัวอย่าง ที่อาจจะมาเคยแนะนำคำสอนชาวต่างประเทศไม่เคยใดภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งเลยนะภาษาอังกฤษไม่รู้สักนิดเดียวแต่ว่าดุษิตพรังเยอะนะไม่ได้ทำนานหรือเจะข้าวเยอะไม่โดนมากากไหนให้ให้ให้ไปคิดเอาให้ไปภานาเอา อันนี้คือมันเรื่องของจิตจิต เ, เป็นสิ่งที่สาคัญมากทีก่สุดพระพุทธองค์เราท่านสอนว่านิรุติภาษาแตกฐานในภาษาท่านเรียกว่านิรุติภาษามีคำมันหนึ่งที่ว่าแตกฐานในภาษาเรียกว่านิรุติภาษา แตกฐานทุกอย่างในภาษานี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่คนไม่รู้จักว่่แตกฐานอะไรอย่างไรอืมจะงัดแงะให้ดูพอพอได้พิจรารณาภาษานี้ไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวเราทั้งหลายการเห็นมาภาษานี้ตองประเดียนให้คำพูด ทำพูดต่างเป็นภาษาเรียนกันแทบแย่เลยไม่จบเหมือนกันไอความเป็นจริงพระพุทธองค์ของเราทะนมองดูกัาไปแต่ว่านี่รู้จิตภาษารู้จักภาษาทุกอย่างอะไรที่ทำให้คนเข้าใจอันนั้นเป็นภาษาทั้งนั้นให้เข้าใจอย่างนี้เป็นหลักซะก่อนภาษาเราซึ่งจะมาก อะไรที่เราจะทำให้ใหรู้จักรู้เรื่องนั้นอันนั้นเป็นภาษาทุกอย่างเราดูตรงนี้ก่อนอเราจะรู้จักเช่นว่าอบรมเรื่องพุทธศาสนานี้โดยมากคนเราทํางหายข้ามกันไปมากทีเดียวไ อ, อ้ความเป็นจริงนั้น พุทธศาสนาเนี่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจจริงๆพุทธศาสนานี้มันให้ความรู้สึกของคนคล้ายๆกับน้ำชามันร้อนๆต้มน้ำชาร้อนๆกรใจาั้ยมเอาใส่แก้วมาเอาคว่ำจีนเอามือไปจุ่มดูที่มันก็จะรู้สึกว่ามันร้อนนี่นะ เอาคนไทยแล้วเอามือจุ่มลงไปสิมันจะรู้สึกว่ามันร้อนเอาคนยวนจุ่มลงไปสิมันก็จะรู้สึกว่ามันร้อนเอามือขมิ้นจุ่มลงไปสิมันก็จะรู้สึกว่ามันร้อน Guerra, เอาพวกฝรั่งเอามือฝรั่งจุ่มลงไปสิมันก็จะรู้สึกว่ามันร้อนนั่นแหละคืออันเดียวกันแล้วเข้าใจไหมร้อนนั่น ภาษศาจศีนก็พูดไปอย่างหนึง่งกแต่พูดในร้อนนั่นเองภาษาไทยก็เป็นร้อนภาษาอังกฤษก็เป็นอย่างหนึง่งแก่ร้อนนั่นแหละเขาจะเรียกว่ามันฮอสก็ร้อนนั่นเองเนี่ยเราเรียกว่ามันร้อนมันก็ฮอส น, นั่นเองเนี่ยใช่ไหมมันคำคำเดียวกันอย่างนี้นี่คือเรียกว่าธรรมะนะที่เราเข้าไปถึงแล้วนะ่ะมันต้องรู้จัก เหมือนกันกับมือเรากลุ่มน้ำร้อนใครจะไม่รู้ว่าร้อนทุกภาษามันต้องรู้ว่าร้อนเท่านั้นแหละแต่ภาษาคำพูดที่ว่าร้อนมันต่างกันทันนั้นเนี่ยทั้นนั้นธรรมะนี่ก็มันกันถ้าใครเข้าถึงธรรมะเข้าไปถึงใจแล้วรู้เรื่องมันก็รู้เรื่องการสงบสบายนี่อย่างนี้ก็รู้ภาษากันแล้วนะ ยิ่งธรรมะยิ่งรู้อย่างนี้นะก็เป็นอัตโนมัติแล้วไม่ต้องสอนมากรู้จักอะไรที่เป็นเหตุให้เราวุ่นวายอะไรที่เป็นเหตุเราสงบมันก็รู้รู้ในตัวของมันแล้วทุกอย่างมันจะรู้จากธรรมะทุกคนเมื่อใครเข้าถึงธรรมะต้องรู้จักทุกคนรู้จักอย่างนี้เหมือนมือเราก็ไปจุ่มน้ำร้อน น้ำมันร้อนจุ่มเข้าไปมันไม่มันไม่รู้สึกว่ามันเย็นหรอกมันร้อนถ้ามือเราจุ่มน้าเย็นมันก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนหรอกหรืว่ามันเย็นนี่มันดรงกันอย่างนี้แต่น้อยมันดรงกันอย่างนี้นี่กือด้านพวกเราสกคนนี้เตรียมานั่งอย่างนี่นะอออ่จะพูดว่ามันเป็นคนคนเดียวกันก็ได้คนคนเดียวกันก็ได้ อืไม่ใช่มันคนหลายคนคือคนคนเดียวถ้าพูดเป็นสามัญญาลักษณะดอกว่ามีลักษณะคล้ายกันทั้งนั้น่เนี่ยมานั่งอยู่างนี้อืมเนี่ยเหมือนกันทั้งนั้นคล้ายกันเหมือนกันมีความสุขปรากฏเหมือนกันมีความทุกข์ปรากฏเหมือนกันอะไรมันเหมือนกันทั้งนั้น ดังนั้นพระพุทธองค์ของเราจันจึงสอนเราไอ้พวกเราเป็นยากกันอืมมันเป็นยากกันไม่ห่างกันมันเป็นญาติกั น, ก น, น, น, กกนอะไรมันมเหมือนๆกันถึงนั้นอืมฉะนั้นถ้าอบรมจิตใจเข้าถึงธรรมะแล้วพวกเรานี่ยจะเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องพยาบาทกันก็มันเป็นคนคนเดียวกันแล้ว เมื่อไรธรรมะมันเจริญขึ้นคนเราก็สบายสงบแล้วครับดังนั้นสันึงให้แสวงหาบุญคือทำจิตมีละให้เป็นบุญอย่าไปเอาอย่างอื่นเลยเอาจิตที่ให้มันเป็นบุญจิตเนี่ยมันสงบคล้ายว่าไอ้พวกประชาชนทั้งหลายมาทำบุญกันวันนี้หรือวันหน้าหรือวันหลังก็าตาม ต้องการความสงบไม่ต้องการอย่างอือ่นอะไรที่มันทําใจเราไม่ให้สงบอันนั้นเนีะยมันพาเราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนีนน้หลังนั้นเมื่อเรารู้จักจิตรู้จักใจของเราโดยจักธรรมะโดยจักอารมณ์เป็นคนรูจักตนถ้ารู้จักตนแล้วมันก็รู้กันหมดทุกๆคนเพราะใครๆก็เป็นตนกันแล้ว รู้เรื่องของตนคนที่รู้ตนนั่นก็คือคนเห็นว่าตนนี่แหละที่เราไม่ใช่ตนนี่คือคนรู้ตนรู้ตนไม่มีโอปทานไม่ยึดมั่นถือมัน่นที่คนรู้ตนรู้ตนนี่่านี่ใช่ตนนี่ใ่เรานีใใจเขาทีค่คนรู้ตนเป็นอย่างนี้ อันนี้คือธรรมะอย่าทรงไปข้างนอกให้สงรงสมาธิข้างในฟังคำท่งสมาธิข้างในอย่าทรงออกไปข้างนอกทุกอย่างต้องรวมสมาให้รู้จักเห็นคนทําชั่วตรงไหนก็น้องเข้ามาดูคนทําดีตรงไหนก็น้องเข้ามาดูทุกอย่างให้มันเห็นเฉพาะกิจ ให้ปัญญามันเกิดในจิตให้จิตเป็นผู้มีปัญญานั่นแปล่จิตที่อบรมดีแล้วกายก็เท่ากรวบะเราได้อบรมแล้วอยายตนะทาั้งหลายก็ได้อบรมแล้วเมือ่อจิตเราเป็นไปแล้วอันนี้เป็นของไกลๆดังนั้นขออย่าจวมทั้งหลายตรงเข้าใจไม่มากเข้าใจในเรื่องตัวของเราเท่านี้แหละ ไม่จะอุตรายดัะนั้นวันนี้ตั้งใจจะพานำสมาธิอาจารยจะเป็นผู้สิธ พ, พูดพูดเรื่องสมาธิไปญาติโยมทั้งหลายจะนั่งขัดสมาก็ได้จะนั่งทับเทียบ ก, ก็ได้นะดังนั้นเึงขอความสงบทุกๆคนให้สงบนั่นแหะให้สงบนะคนจะนั่งก็นั่งให้สงบคนจะยืนยืนก็ขอความสงบ คนที่จะนอนอยู่ขอขความสงบทริยาบทการยืนการเดินการนั่งการนอนนี่มันทำความสงบได้ทุกอย่างนะเอาตั้งใจนั่งขัดสมาธิขึ้นขาขวขาขาซ้ายขึ้นทย่างนี้ทย่างนี้เอ้อเอาให้มันตรงตรงรูพระพุทธรูป ดูพระโพธรูปท่านนั่งยังไงไหมท่านแห น, นหน้าถือหรือเปล่าท่านก้มลงหรือเปล่าะลักษณะพอดีนะกายกายให้มันพอดีเพราะเวลานี้เดี๋ยวนี้เราจะทําให้มันพอดีทํากายให้มันพอดีทําใจให้มันพอดีใกายใจไม่พอดีแล้วมันก็ไม่สงบอืม เคยดูจากไหมสิ่งที่ไม่พอดีนั่นแ่ะมันไม่ดีสิ่งที่มันดีนั่นคือมันพอดีเห็นไหมทุกอย่างอืดูอะไรกันไหมเราเคยทามาไหมดูไม่ดูอื่นไกลหรดูแกงของเราทานกันน่ะทําเค็มไปนะอร่อยไหมทานมันจีวิตไปอร่อยไหมน่ะเท่านั้นแหละอืการเรา แม่ครัวทำแกงก็หาสิ่งที่มันพอดีทุกอย่างหาสิ่งพอดีเท่นั้นแหละวันนี้ริงทำกายให้มันพอดีทำใจให้มันพอดีเอาขาขวาขับขาซ้ายมือขวาขับมือซ้ายต่างกายเห็นตรงเห็นตรงเราทาเสียรู้ว่าหยุดอยู่ตรงไหนดูที่มีไหม กายอยู่ตรงไหนอะไรมันเป็นกายอะไรเป็นจิตเห็นกายแล้วไออกายจิตดูใครที่เขานำนานาเรานั่งรถมานั่นเห็นไะมรู้กันหรือเปล่าหรือ ม, มาเจตัวเราดีใครนำนาเราขึ้นรถมาถึงวัดต้องประพงรู้ไหมหรือมาเอง นั่งใช่ไหมนั่งอ่ะเออเอ า, อางี้ใชดีกว่านะเอาที่ว่าไอ้ใครที่เรียกว่าจิต <c oughs> ถ้าถามประจิตมันก็ไม่มีเหมือนกันนะ่ะเออจิตนี้มันก็ไม่มีนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจิตนี้คืออะไรตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะกายก็คือก้อนนี้เราพอเห็นได้ เกียนี้ก็เรียกว่าอะไรเอางี้ไดดีกว่าเนาะเอาความรู้สึกเอาผู้รู้สึกผู้รู้สึกสมมติเนีมันเป็นจิตะนะผู้รู้สึกรู้สึกการเคลื่อนไหวรู้สึกดีชั่วรู้สึกร้อนเย็นต่างๆเอาเอาคนนี้จ้ะนะอ่าตอบมันค่อยๆรู้จักกันเนาะนั่คือความรู้สึกอืม รู้กายปล่อยกายให้เป็นสภาวะอันหนึ่งอย่างนี้อันนี้จิตคือความรู้สึกผู้รับรู้อารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าผู้รู้จึกเรียกว่าจิตจิตอันนี้แหละที่เราต้องการที่พระพุทธเจ้าของเราไหต้องการให้อุปสม จิตนี่มันรู้มันการแ่ว่า ม, ม, ม, มันรู้ไม่ถึงมันรู้ไม่ถึงฉะนั้นนจริงๆในภาวนาพุทโธพุทโธนะเอาพระพุท ธ, ธเจ้าเข้ามาอีกให้มันอบรมอันนี้ให้มันรู้แจ้งแห่งเกิดปัญญาตัวรู้ตัวนี้สําคัญหลายตัวรู้ตัวนี้เนี่ยมาอบรมรู้ตัวนี้คือรู้จิต มาอบรมจิตของเราทิศทางหลายท่านทางหลายจงตามดูจิตของตนใครตามดูจิตของตนคนนั้นจะทุนจะหวงของมนันเอาใครตามดูใครไหมใครเข้าใจอย่างนั้นอืเนยจิตมีแล้วกายมีแล้วนั่งกำหนดลมเห็นลมไหม เห็นลมไหมปลาฏกฏดลมไหมลมที่ในจมูกเรามีเห็นไหมรู้สึกดูลมลมมันเข้าได้ลมมันออกดูท่านในรู้ลมเรียกว่าอนาปาณสติคือทมสติตามลมนี้ลมเข้าแล้วก็ลมออก นี่คือทำจิตให้มีอารมณ์อันเดียวบังคับลมออกให้รู้จักเลบท่พุทหรือโทพุทหรือโทตามลมเข้าลมออกนี้ปัจจุบันนี้เราต้องการเท่านี้ไม่ต้องการอะไรอื่นมากไปกว่านี้ต้องการให้พวกเราตามดูลมเท่านั้นลมเข้าให้รู้ลมออกก็ให้รู้จัก ไม่ต้องการอะไรมากไม่ต้องการไปดูนรกขวัญไม่ต้องการไปดูอะไรทั้งนั้นเนี่ยทำสติตามลมาปรู้จากอรมณ์มันออกและอรมมันเข้าด้วยการมีสติตเสมอเท่านี้ไม่ต้องไปดูอะไรอื่นจากนี้เพราะในเวลานี้เรามีหน้าที่การงานที่จะทําเท่านี้มันจะคิดว่า เมื่อดูรวมต่อไปมันจะเป็นยังไงไม่เอาไม่ต้องคิดยังไม่ใช่หน้าที่ของเราจิบ ม, มันจะสงบมันจะเป็นยังไงไม่เอาอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราจะเพาะดูรวมมันเข้ามันออกตัวนี้อันนี้ไม่ต้องสนทั้งนั้นนั่งเฉยๆดูรวมมันออกแล้วมันเข้าล้ม ไม่ต้องไปบังคับมันอีกด้วยไม่ต้องบังคับให้มันยาวไม่ต้องบังคับให้มันสั้นปล่อยตามสภาวะของมันพอดีพอดีนี่เรียกว่าทำโดยการปล่อยวางไม่ใช่ทาโดยด้วยการยึดมัน่นทำโดยการปล่อยวางลมมันออกไปก็รู้ลมเข้าก็รู้รู้จากลมมันสั้นรู้จากลมมันยาว มันสะดวกแค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าไปดีมันเลยมันอยาวก็ให้มันยาวไปก่อนมันยาวค็ให้มันยาวไปก่อนมันสั้นให้มันสั้นไปก่อนอย่าไปบังคับมันเลยเราทำตามเรื่องของมันถนันดูเรื่องของมันปล่อยตามรวมรู้ถนันมันจะออกยาวเข้ากันอะไรก็ช่างมันเถอะแต่เรามีสติค่อยๆตามให้มันรู้จักเนี่ย เมื่อเราทำแบบนี้มันจะวางข้างนอกมันจะดูลมอย่างเดียวลมนี่ไม่ต้องสงสัยอย่างอื่นแี่ยต้องทำอย่างนี้ตลอดไปดูลมนี่แหละก่อ น, นดูลมนี้อันนี้เป็นเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องเดียดตอนไม่ต้องอยากเห็นอันนั้นไม่ต้องอยากรู้อันนี้ อันนั้นมันเป็นความอยากไม่จะทำโดยการปล่อยวางอันนั้นมันเป็นกิเลสอันนั้นมันเป็นตัญหาอยากรู้เลียวนี้อยากเห็นเดียวนี้อยากอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นความอยากลมนี่มันเป็นการค่อยๆดูมันออกแล้วมันเข้าจนเราเห็นลมรู้จักว่าลมนีมันจ ะ, ะเกิดจากหยา ถ้ามันไปพุ่งสร้างกำคามัมค่อยๆละเอียดของมันไปเรืยๆมันยาวก็รู้สึกว่ามันยาวมันสั้นก็ให้รู้ว่ามันสั้นอย่าไปบังคับมันดูมันอยู่ตรงนั้นทีนี้ <c oughs> เมื่อจิตมันสงบแล้วค่อยสงบแล้วนะจิตใจไม่อยากจะตามลมมันอยากไม่อยากจะตามลมไม่อยากจะนึกว่าพุทโธพุทโธไม่อยากจะนึกนี่เพราะอะไรอารมณ์ที่เราเรียกว่าพุทโธพุทโธนี้เมื่อจิตเราละเอียดแล้วเน่มันอยาก คนทำงานละเอียดแล้วอให้ทางานหยาบมันไม่อยากจะทาอย่างดูลมเข้าลมออกอย่างนี้มันก็เป็นของหยาบไม่ต้องตามลมีิจะนั่นไม่ต้องสงสัยเอาสติคือความรู้สึกว า, างไวที่ตมูกนี่รู้ว่าลมมันเข้าออกเท่านั้นเนี่ยเนี่ยทำมาเรียนนั่งนั่งอยู่แหงเดียวเท่านั้น แค่รู้จักลมมันเข้าออกมันสั้นหรือยาวไม่กําหนดมันรู้จักอารม์มันเข้ามันออกเท่านั้น น, นี่คือความรู้สึกอารมณ์เราก็เห็นดูอรมก็เห็นผู้รู้สึกคือจิตดูผู้รู้สึกก็เห็นสติรู้สติก็เห็นลมดูลมก็เห็นสติรู้สติก็เห็นจิต รู้จิต ก, ก็เห็นสติมันตรมเปียวเป็นอันเดียวกันแล้วไม่ต้องไปสงสยัยเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาอีกเรานั่งอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงบอกว่าหยุดอันไม่ใช่เรื่องของเราือมไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราทุกอย่างที่จะมันปรากฏขึ้นมาในดวงอันนี้เอมันจะ มันจะใช้แสงยังไงก็ช่างมันเถอะก็ดูแล้วก็หยุดไม่ต้องยิ้นไปตามมันทำความสงบอยู่ไปจนกระทั่งมีลมอยู่อย่างนี้ดูต่อไปจนมานาันอียดที่สุดจนว่าลมไม่มีอย่างนี้ก็เป็นนะลมไม่มีบางคนเห็นลมไม่มีคืนึกจะตายเอ่ะออกถอยกลับในนี้ ไม่รู้จะทําอะไรไหมลมไม่มีถ้าลมไม่มีก็มีความรู้อยู่ไอ้ความรู้มันจะไปตรงไหนแต่ความรู้มันมีอยู่มันดูมันจึงรู้จริว่ายรู้อะลมไม่มีอย่างนี้ก็เอาอารมณ์ที่ว่ามันไม่มีนั่นเป็นอารมณ์ต่อไปอยู่ไม่จบอย่างนี้เนี่ความสงบแล้วค่อยๆไปจิตมุขตูตา กายมุูตามันควรแก่การงานมันจะเป็นเครื่องสำคัญกันไปเองของมันอย่างนี้เรียกว่าความสงบความสงบดูมันไปเรื่อยๆแถนนั้นแหละอันนี้เรียกว่าการทำจิตให้สงบเ้าอ า, อาตั้งใจและทำทำแหละอพอดีนะ ว, วันนี้ฝนตกพอดีแหละเย็น ทำสมาธิเลยพระก่ อ, อนใช่ า, าพระก่อนตามวัธยาใสาคงคงจะง่วงแล้วมั่งนอ้อคงจะง่วงแ้วมั่งมันคันเนื้อคันตัวกันนี่เนาะเอ า, าพอระก่อนตามวัธยาใสก็ได้